เอาออกทิ <fl ush ed> ้งไปบ้านเราจะได้สดใสเสน่ห์จันไรจะต้องไม่มีเทวาจะลงรักษาเสน่ห์จะมาบ้านก็สุขเห็นเขาส่งข่าวมานะครูไม่อยากไม่ได้อ่านข่าวตามสื่อนะครับไม่ได้ฟังวิญญาไม่ได้ดูทีวีแต่เขาอ่านอ่านแล้วเขามาไล่ฟังครับเขาบอกว่า จังหวัดที่ไม่มีผู้มีอิทธิพลมีอยู่สองจังหวัดนครสาวรรค์กับชนบุรีโอ้ครูไม่ใหญ่ปลื้มเลยนะคนลูกสู้เลยโอ้โหชนบุรีเมืองชนน่ยไม่มีอิทธิพลเพราะคนชนบุรีจะเป็นคนดีของสังคมรูร้ไม่ใหญ่นี่ปื้มจริงๆเลยเนี่ยชนบุรีไม่มีอิทธิพลนะ่ยดีมากเดียวนี่ปลืม้มแล้วนี่เชื่อเลยที่เขาพูดเนี่ย เพราะว่าเขาส่งภาพมาด้วย oh. นี่เยอะแยะเลยโอ้โ oh. ห mm hmm. มหากรรม ร, รวมใจเทเลา่าเผาบุรีเพื่อความอยู่ดีกินดีของสังคมเพื่อความเป็นคนดีของสังคมด้วย oh. ระดับจังหวัด oh. ครั้งแรกของโลกจังหวัดชนบุรี oh. วันจันทร์ที่๙มิถุนายนพุทธศักราช 2546หเวลามงคล1 0 0จศนณหมู่บ้านปัญญารีสอร์ทจังหวัดชนบุรีกลาบนามัสการพระเดชพระคุณหลวงพอ่อจะเคารพอย่างสูงค่ะลูกเป็นลูกพระราชรพันแท้ของหลวงพ่อค่ะ ดีใจที่ได้เป็นลูกของหลวงพ่อและได้เป็นนักเรียนอุนดมการฝันในฝันวิทยาจังหวัดของลูกคือจังหวัดชนบุรีมีด้วยกันสิบอำเภอและหนึ่งทีมงานชนะโลกค่ะผู้นําบุญรักหลวงพ่อแล้วรักกัรสร้างบารมีมากทั้งเป็นผู้นําบุญผู้นํารถและเป็นผู้สนับสนุนสเสบียงสําคัญของวัดมาอย่างดีโดยตลอด วันนี้พวกเราจึงสมัครคีกันอีกครั้งทำตามคําสอนของครูไม่ใหญ่รวมใจกันสร้างความภูมิใจเป็นแบบอย่างของคนทั้งโลกอีกครั้งในยมหากรรมเทเล่าเผ่าบุรีเป็นความอยู่ดีกินดีของสังคมระดับจังหวัดครั้งแรกของโลกค่ะ ม, ม, มีคนก็เป็นห่วงครูไม่ใหญ่เนะี่ยบอกตายก็ทํางี้เดี๋ยวก็ทุบเล่ากันแล้ว เดี๋ยวบริษัทโรงงานผลิตสุลาก็จะมาลุยครูไม่ใหญ่เอาก็คงไม่หรอกเขาลักครูไม่ใหญ่นะ <c oughs> แหมหกพันกว่าล้านคนครอบครัวละหกคนก็พันล้านครอบครัว <c oughs> เพิ่งเลิกแค่ไม่กี่ครอบครัว <c oughs> นิดๆหน่อยๆไม่ถึงขนาดนั้นมั้งครับแต่ว่าการดื่มสุราเนี่ยรู้สึกจะเริ่มต้นมาจากสองคนนะครับ คือคุณสุระครับคุณวารุณคุณวารุณท่านฤสีวารุณสองสหายแล้วก็ก็สืบทอดติยตนามาเรื่อยกระทังบันี้เกิดไอเดียที่จะทำเบียห้าดีกรีเอาไว้กลุ่มเป้าหมายยาบชนถ้าประสบผลสำเร็จก็หนึ่งดีกรีสำหรับทารก แทนน้ำนมมารดากล่อมหลับไปเลยอเ อ, อแม่อย่างที่ ค, ครูพี่ใหญ่เคยพูดไงคพวกระเบิดหินเนี่ยอยากได้ภูเขาทุกลูกครับในโลกพวกประมงจับปลาอยากได้ปลาทุกตัวในทะเลเพราะมันเป็นอย่างนั้นนะพวกสร้างตึกก็อยากสร้างตึกทุกหลังในโลกโ พวกค่าสุราก็บเบอร์เงิ น, นนะอยากให้ทุกคนในโลกดื่มสุราเนะี่ยเพราะดื่มแล้วเาก็ได้เงินนะี่ยรวยกันชาติหนะี่ถ้าดื่มมากๆก็ยิ่งรวยไม่เสียดายเนาะเราควรจะรักเพื่อนมนุษย์อย่างถูกหลักวิชานะ นี่ยังชอบใจสโลแกนของห้างทวีกิจนะครับโอ้ห้างทวีกิจลูพรราชสระบุรีบุรีลำมีสาขาทั้งส0มสกว่าสาขาที่ว่าห้างนี้ไม่ขายบุหรี่เหล้าเบียร์สุราเมลายไม่ขายเพราะห่วงใยคุณและครอบครัวอยากให้โปสเตอร์นี้มีทุกแห่งเลย อยากให้มีไปทั่วทุกตำบลทุกหมู่บ้านเลยทุกศูนย์การค้าได้ก็จะยิ่งดีคนเราต้องห่วงใหญ่กันเพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันเกิดยากห้างทีวีกิตนี้เพราะนั้นห้างนี้นี่มีสลินะครับมีสลีบางคลใครเข้าไปซื้อของจะติดสลิมาทีเดียวนะออืแต่สลิไปยจอใครแล้วก็เป็นที่มานอนแห่งโพกัสทับรวยอย่างเดียวสาธุ ลูกๆมีสโลแกนว่าลูกพระราดลดละเลิกอบายมุกไม่จะเลิกเลยหักดิบอบายมุกเพื่อพ้นทุกในอบายเวลามงคลคือ1ิ0จุนอเป็นต้นไปวันนี้บรรยากาศเบิกบานกันมากเพราะเราต่างรู้ว่าวันนี้เราจะได้บุญใหญ่ทุกทุกคนทุกคนมาด้วยใบหน้ายิ้มยามแจ่มใส เราต่างเฉลยกันนิมนคณะสงฆ์มาร่วมพิธีกรรมสำคัญครั้งนี้ลูกๆ ก, ก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพกิติปัญญาคุณมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และยังมีคณะสงฆ์ในจังหวัดชลบุรีอีกหลายรูปซึ่งล้วนแต่เป็นพระเถระผู้ใหญ่ในจังหวัดค่ะทั้งรองจากคณะจังหวัดจกากคณะอำเภอเมืองจกากอาเภอศรีราชารองจกากคณะอเภอบางละมุง จา้าคณะตำบนศรีราชาและจะาวาดอีกหลายวัดรวม22รูปและยังได้รับความร่วมมือจากท่านแอมเพิ่มเมืองจังหวัดชนบุรีคุณมันจบรุ่งโรดเพราะ่ราเป็นสักขีพยายในการทำความดีของลูกๆดิค่ะได้มีการเปิดเพลงทุบขวดเทเล่าเผาบุรีเปิดสร้างบรรยากาศตลอดงานจะได้กระเชิญตัวอย่างของยอดนักสร้างบารมีที่ตั้งใจเลิกเหล้าและเลิกขายเหล้า พพูดเปิดใจอีกด้วยหลายท่านคือกรีมิตรนันทวัฒน์สืบสุขที่เก็บเล่าไว้นานถึงสามสิบปีจนได้โอกาสดีนี้นำมาเทร่วมกันน้วเขาเรื่องมันสองคนนะ ค, คุณสุระกับคุณวรุณคุณวรุณฤศีวรุณเพราะนั้นการที่ย้อนกลับกันไปใหม่เนี่ยเริ่มจากเล็กๆนี่มันก็เป็นไปได้เลยครั บ, รรบน่าคิดนะ นั่นเริ่มจากสองแต่เริ่มโอ้ตั้งเยอะเย <laughs> ลยคามิตรประยูนสวรรณคั น, นคณะที่เก็บเหล้าไวถึง30สกว่าขวดนานหลายสิบปีแล้วยังเลิกขายเหล้าอย่างเด็ดขาดด้วยสาธุ <laughs> คามิตรซูซานยีวีหาเป็นชา ม, มาเลเซียเป็นเจ้าของบาร์เบียถึง15หาสาขา oh. แต่เลิกกิจการได้ตั้งแต่เป็นลูกพ่อราช แล้วก็เทเล่าแตเก็บไว้ตั้งแต่ก่อนจะมีการจัดกิจกรรมนี้แล้วค่ะกรมิจจารวันที่มาพรขายเหล้ามาสิบกว่าปีนี่ขายเลยมาวันนี้ตั้งใจเลิกขายเด็ดขาดสาธุกรมิจสายชนรอดถ น, นอมที่เป็นต้นบุญให้หมู่คณะยอมเทเล่าดีกว่าดีกว่าอาไปให้เพื่อนเพราะอยากอยู่บนวิมานดีๆสบาย ใกล้หลวงพ่อดีกว่าที่จะไปกรอกน้ำกรดให้กับเพื่อนในอบายกรมิดบุญธนิตฐสรีรพินทรโอทกานนนและครอบครัวเป็นต้นบุญและเจ้าของสถานที่ที่สนับสนุนที่มีการรวมเทเล่าในครั้งนี้ต่อจากนั้นพระเดชพระคุณพระเทพกิติบัญญาคุณท่านก็เมตตาม อ, อบอว่าให้กับพวกเราเกี่ยวกับบุญกุศลที่เราเป็นต้นแบบของคนทั้งโลกที่เราทาในครั้งนี้ จากนั้นท่านในอำเภอท่านก็ได้กล่าวชื่นชมกับกิจกรรมนี้แล้วจะขยายกิจกรรมนี้ไปสู่ระดับของตําบลอําเภอและจังหวัดต่อไปมาถึงเวลาสําคัญที่ทุกคนรอคอยอย่างใจจดจอ่อหัวหน้าฉันก็ได้พูดเชิญชวนให้แต่ละอำเภอจะลุกขึ้นมาทํากิจกรรมสําคัญนี้คือเทแล้วทุบทุบแล้วทิ้งไอหัวหน้าชั้นไปด้วยเลยดิครบับ จริงๆแล้วลูกนะไม่ได้ดื่มนะคะแต่เก็บไว้เพราะเกรงใจผู้ที่เอามาให้แต่ตอนนี้เลิกแล้วค่ะเลิกเกรงใจแล้วค่ะนำมาเทแล้วก็ทุบหมดเลยบางท่านก็เลิกขายแล้วก็นำมาทุบทั้งหมดเลยเจ้าค่ะวันนี้มีเหล้าหลายยี่ห้อทั้งในและนอกประเทศเก็บเอาไว้บางรายนานถึงสามสิบกว่าปีมีทั้งขวดเล็กและขวดใหญ่ แต่ทุกคนไม่มีความเสียดายเลยมีแต่อยากจะเทให้หมดไปโดยไวและก็ยังมีของแถมอีกมีไพ่อีกหลายสำรับใบดูสำหรับแทงหวยพวกเราก็นำมากำจัดโดยการเผาทำลายจนหมดอีกด้วยค่ะ ระหว่งางทำกิจกรรมได้เปิดเพลงเทเล่ลาเผะาบุรีดังกระหึ่มทั่วบริเวณไม่เพลงนี้ดังแน่มี oh. มความสนุกสนุกกันมากค่ะหัวหน้าช่าก็นำพวกเราประกาศที่ตังเมรวยสามครั้งต่หน้าคณะสง์จากนั้นพวกเราก็ได้รับพรนำมิสริมงคลยิ่งหลังจากเราได้กำจัดเสนียดออกแล้วก็ถึงเวลาแห่งการเติมสเสน่ห์เติมบุญในการถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ จ่วงทีถวายพระหารก็ได้เปิดเพลงชีวิตสมณนะคณะสงฉันไปด้วยฟังเพลงไปด้วยจนมีบางรูปขอฟังอีกรอบอสาธุกับพิีกรรมนี้ท่านรองเจากณะอำเภอบางละมุงเจ้าวาดวัดหนองปรือและเจ้าวาดบางท่านขอให้อัดภาพทั้งภาพนิ่งและภาพวิดีโอรวมทั้งอัดเพลงเทเล่านี้ให้ท่านด้วย ซึ่งท่านจะนําไปเป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรมบ้างดูลูกกราบขอพระคุณแม่ได้คุณหลวงพ่ออย่างสูงจ้าที่เมตตาชี้ทางสว่างและให้ลูกๆเดี๋ยวเป็นลูกแก้วลูกแท้ของหลวงพ่อได้ขลุงโงเรียนนับจากนี้ไปลูกๆควจะได้สว่างสวัยเพราะเอาของอุบาตออกจากบ้านไปหมดแล้วลูกก็ตั้งใจที่จะบอกกล่าวให้กับบุคคลอื่นได้ทราบถึงโทษของยาเสพติดและจะช่วยกันการจัดให้หมดไปอีกด้วยค่ะ สาธุ โ, โอ้โหอะเรามาดูภาพกันนี่ลูกพระราชรวมใจมาหาคำเทเล่าเผาบุรีดูขวดโอ้โห น, โโหนี่โอ้โหนี่โอ้โหเยอะแยะเลยหลากหลายเลยอย่าไปเสียดายนะลูกนะ อย่าไปเสียดายนี่ามีป้ายเขาเขียนว่าไงป้ายข้างล่างนี่คณะกรรมามิการจังหวัดชนบุรี ร, รวมใจต่อต้านยาเสพติดเริ่มทุบขวดเทเล่าเผาบุรีกัญญานติกาพิธนายนพุทธศักราช2546ณนหมู่บโมบ้าบัญญารีสอร์ทจังหวัดชนบุรีนี่คณะสงจากทุกอำเภอของจังหวัดชนบุรีมาร่วมสวดชยันโต และก็อนุโมทนาบุญกับุลวงพร่อราดผู้กล้าทุกคนอโอ้โหแหม<า>ครู<า>ไม่อย า, ากต้งฝากกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อกิติพุโทโธและคณะสงฆ์ทั้งหมดด้วยอันดูภาพล่างนี่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก มาร่วมแสดงความปิติยินดีกับโลกพระราชนักเรียนดุบาลฝันในฝันวิยาที่เอาชนะใจได้ขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากบ้านไปไลเ่เสเนียดเติมเสน่์เอาไว้ในบ้านเป็นต้นบุญต้นแบบของโลกตั้งถือว่าเป็นผู้กราเป็นซุปเปอร์ฮีโร่วีรบุรุษวีรสตรีของ โลกทีเดียวเลยสิ่งที่ทํานี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลจ้ะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวบางคนต้องมีแรงบันดาลใจจึงจะเกิดอารมณ์ที่จะทําอย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นตัวอย่างดีๆอย่างนี้ที่ขาดแคลนจากโลกใบนี้ไปแล้วเนี่ยได้หวนกลับคืนมาใหม่เพราะฉะนั้นตัวอย่างดีๆที่ทําในวันนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับผู้ที่ ยังมีของเรานี้อยู่ในบ้านไม่ใช่โลกก็จะย้อนย้อนไปสู่ยุคที่มนุษย์มีความเจริญทางด้านจิตใจและศิลธรรมมากในยุคที่ไม่มีสุราเมลไรบุหรี่อะไรเลยนี่ท่านแอมเพิ่มเมืองกล่าวเปิดงานเป็นประธานในงานด้วยครับลูบหล่อจริงๆอืงม เออเป็นผู้วเร็วๆเนอะงานะดูท่านเทเลย<อ>นี่เป็นท่านแหนเพอตัวอย่างของโลกเทไปเรียบร้อยแล้วนี่ไม่เสียได้ราคาทำลายได้ดูแต่ละคนหน้ายิ้มแยม้มแจ่มใสนี่ซปเปอร์ฮี โ, โ<อ>ร่วีรบุรุษวีรสตรีผู้กล้าของโลกทสีเดียว อ่ะดูข้างล่างสิเท่กันด้วยความเบิกบานโอ้โหโคตรใหญ่ทุกดุกหนึอืมละเริงเบิกบานจะต้องทุกอำเภอตำบลหมู่บ้านต้องเท่กันที้หมดเลยเทแล้วทุบทุบแล้วก็ห่อผ้าทิ้งไปนี่กฤติสุสานยีวีหาลุพระตเจ้าของบาเบียสิบหาสาขาที่พัทยา ต่งแต่มาเป็นลูกพระราชก็เริกกิจการและนำเล่า ท, ทั้งหมดที่เก็บมาเทแล้วค่ะนี่สารมิต<า>รปยูนสวนนรนคณะหลูกพระราชาเก็บเล่าไว้สามสิบขวดมานานาหลายปีหักดิบกวาดทเทเรียบไปเลยสาธุ นีการวิจารุวันที่มาพรลูกฟ ร, ราดขายเรล้ามาสิบกว่าปีวันนี้ชิตังเม์เลิกขายเด็ดคาดแล้วค่ะนีห่หน้าตาเป็นอย่างนี้ซุเปอร์<า>ฮีโร่คร อ, อบครัวสืบสุกเก็บเหล้าไว้สามสิบกว่าปีโอ้โหเก็บไว้นานดีๆวันนี้กัมชาเสเนียดออกจากบ้านไปแล้วค่ะนี่เก็บมาสามสิบปี ว่าจะรู้เรื่องได้เนี่ยเนี่ยเอาเททิ้งไปเรียบร้อยแล้วลูกพระราชลดละเ ล, ะละิกพยมุกเพื่อพ้นทุกในอบายดูหน้าตาของผู้มีบุญซูเปอร์ฮีโร่ผู้กลร้รา ข, ของโลกทีเดียวแล้วเอออนโมธนาสาธุ ก, การนะลูกนะ<า>ขอให้ลูกทุกคนที่ได้พร้อมใจกันขจัด สิ่งที่เป็นอัปมงคลออกจากบ้านและก็เป็นตนบุญตนแบบแก่โลกให้ประสบแต่ความสุขความเจริญในธรรมะสว่างสวัยคิดอะไรกายสมความปรารถนากันทุกๆคนนะลูกนะสาธุและก็เมื่อหมดเวลาสร้างป ร, รมีด้วยกัมนุษย์เราจะได้ไปอยู่วงพพิเศษด้วยกันไงล่ะสาธุ